การศึกษาพระธรรมําสอนนะถ้าจับอัธยาศัยหกอันนี้เอาไว้ก็ก็จะเห็นชัดว่าธรรมะเนี่ยเพื่อจะแสดงให้เราเห็นหกอย่างนี่แหละเนี่ยนะอาจจะขึ้นต้นด้วยการแสดงโทษของโลภะก็หมายถึงว่าเพื่อให้เห็นคุณของอโลภะถ้าแสดงโทษประกาศโทษของโทสะทำให้เห็นคุณของอโทสะถ้าประกาศโทษของโมหะเพื่อให้เห็นคุณของอโมหะหรือปัญญาเนี่ยนะ ถ้าประกาศโทษของการก็คือให้เห็นคุณของกุศลธรรมมีเนคขมมะเป็นต้นถ้าประกาศโทษของการคลุกคลีก็เห็นคุณของวิเวก ค, ความสงัเนี่ยนะส่วนถ้าประกาศโทษของภพก็คือเพื่อให้ได้นิสรณะศิรนัทะอันนี้แหละเรียกว่านิพพานเพราะนิพพานเป็นธรรมชาติที่สลัดออกจากภพน่นะอันพระอริยทั้งหมดนะท่านมีอัธยาศัยแบบนี้ อันเวลาศึกษาพระไตรปิฎกบอกอุอัฏะนั่นก็บรรลุไปแล้วนี่ก็บรรลุไปแล้วเราฟังทําไมเราไม่บรรลุกับเขาเลยอ่ะก็มาไล่ดูว่าอัธยาศัยประเภทดีหกนี่ยมีมากไหมแล้วอัธยาสัยที่จะเห็นโทษอ่าบาปอากุศลหกประการเนี่ยมากไหมย น, นีเหมือนว่าตามองเห็นรูปะนะก็เอาเนี่ยอโลพัทกับโลภะมาจับว่าเอ้เราอัธยาศัยอันไหนมากกว่ากันคือต้องการให้เป็นยังไงมากกว่าอย่านี เรียกว่าน้อมไปเพื่อจะให้โลภะเกิดหรือน้อมไปเพื่อจะให้อโลภะเกิดน้อมไปเพื่อจะให้โทสะหรืออโทสะเกิดน้อมไปเพื่อจะให้โมหะเกิดหรือว่าอโมหะเกิดก็มาศึกษาอัธยาศัยการก็คือเช่นสแสวงหาวัตถุที่เราเห็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องการออกจากวัตถุอันนั้นนะต้องการได้หรือต้องการออกอันนั้นก็ถามดูส่วน ต้องการคลรุกคลีเนี่ยนะคลุกคลีจริงๆแล้วสับมีห้าอย่างนะสังสักขะสังสักขะเนี่ยการคลุกคลี51การเห็นเนี่ยนะทศันศนะสังสักขะเนี่ยนะคลุกคลีด้วยการเห็น2อคลุกคลีด้วยการฟังสามคลุกคลีด้วยการพูดสก็คลุกคลีด้วยการใช้อ่าข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะก็คือเช่น เนี่ยสิบสี่กุมภาวันวันไหนพรุ่งนี้หรือวันนี้วันนี้เหรอโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยนะเว่าคนเล็กไา้ก็คือม้วนเปลี่ยนดอกไม้ทั้งหลายแหล่เป็นต้นนะนะพวกนั้นเขาเรียกว่าคลุกคลีกันเหมือนกันคลุกคลีด้วยการเอาภาชนะเอาข้าวของอะไรไปไปไปใช้ไปสอยอะไรครับของอีกฝ่ายหนึ่งะนะก็ชื่อว่าเป็นการคลุกคลีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาใช้สอยของอีกคนหนึ่งจะระลึกถึงเจ้าของใช่ไหม มันก็ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเอาของก็อีกฝ่ายไปใช่อีกฝ่ายเอาของก็อีกฝ่ายหนึ่งไปใช้มันทำให้ระลึกถึงกันอ่ะพวกนั้นก็ชื่อว่าการคลุกคลีด้วยอีกเหมือนกันไหมแล้วก็สุดท้ายก็คลุกคลีด้วยการจับต้องอันนี้คลุกคลีด้วยการของใช้นะคลุกคลีห้ามันต้องชักสะพานเสียไปไกลขนนั้นนะท่าน นั่นะไอของชายเขาไปบทท่านคิดเยอะเอาไม่ยกตัวอย่างก็พอละจะเอาอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวว่าภาพไปรู้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับแจกดอกไม้ก็พอละแดีวภาพเดี๋ยวก็ววบวชอยู่ทําไมไปรู้อะไรท้นตะดานหมด ใครมีอัธยาศัยอะไรบ้างลองเลือกมดดิชอบอัธยาศัยไหนมากที่สุดเหมือนกันเถอะกินดูดิอันไหนเนไม่ใช่ไม่ใช่อัธยาศัยคือคือต้องการอะไรนะเาเรียกว่าจิตเนี่ยน้อมจะให้เป็นอะไรมากนะเขาเรียกว่าความปรารถนาเหมือนกันเถอะทางขวาไปจเอาหมดนะเอาทุกอย่างทุกคนเลยชอบได้ว่าต้องการดิกรเลนนั่นเสร้างกระต๊อบที่คนเดียว <c oughs> อม่เอาอมหเอมทยาสัยเลยนะนะแตงกีสอนทายาไายไหน อ, อ, อาโลพะนะอ๋ออาโลพะทยาสายบอไม่เอาละงั้นน้อมไปเพื่อจะไม่เอาใช่ไหม อ, มอโลพะทยาสัยมึงกล้ใจอะ่ะ <c oughs> คือจริงๆอ่ะนะต้องสมาทานให้ถ้าไม่มีอัทยาศัยก็ต้องตั้งความปรารถนาให้มีอัธยาศัยอันนี้อันนี้เน EX ี่ยให้ให้ตั้งเอาไว้เลยโอ้คนนิตยาวสูงมากเอาอันนี้นิสรณนัธะเลยนะสาธุจะไปไปไกลกว่าพุกการเยอะละ จะได้เป็นที่พึ่งบ้างนะดีแล้วจะได้มาสข้อพูกการบ้างนะ <c oughs> นะแล้วก็อัธยาศัยหกไหมอ๋คือถ้าไม่มีก็ต้องตั้งอัธยาตั้งความปรารถนาเอาไว้เลยเนี่ยนะอันไหนเราขาดบ้างก็เสริมให้เต็มไปเนี่ยนะค่อยๆเพิ่มเพิ่มมี <c oughs> <c oughs> คําว่าอัธยาศัยหมายความว่าไงครับหมายความว่าเรามีสิ่งนั้นหรือว่า เราเห็นโทษจริงนั่นใชคือไอ้ฝ่ย า, ายฝ่ายอัธยาศัยเนี่ยอันนี้ฝ่ย า, ายอัธยาศัยดีแต่ถ้าฝ่ายนี้ก็ไม่ดีคือคนที่มีอัธยาศัยเนี่ยหมายความว่าจิตนี่มุ่งให้ธรรมะเหล่านี้เกิดขึ้นต้องการเจริญกุศลธรรมฝ่ายดีเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามีอัธยาศัยทางนี้ทางดีทางดีนะคืออัธยาศัยทางดีมั้งั้ร น, นะ ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปกติรวมๆก็มีอัธยาศัยเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีกําลังมากาหรือไม่มากก็อีกเรื่องหนึ่งหละแต่ว่าที่เหลือการศึกษากูสุรธรรมก็คือมาอบรมเนี่ยอัธยาศัยเหล่านี้ให้ดีเพราะในสุดท้ายจริงๆเนี่ยถ้าพระอรหันต์ที่บรรลุเนี่ยท่านจะเหลืออัธยาศัยเดียวแล้วตอนท้ายเลยเนี่ยคืออัธยาศัยอันนี้นะพอพอจเจริญไประดับหนึ่งแล้วจะเหลื อ, ออันเดียว จะมีนิสรณัตทยาศัยเพราะเราจะอ่านพระไตรปิฎกนะจะมีคำว่ามีตนส่งไปแล้วเนี่ยนะบาลีว่าพหิตตัดโตเนี่ยนะพะหิตก็คือส่งไปนะนะอัตต ะ, ะหิอ่าพระหิตตัดโตก็คือมีตนเนี่ยมีอัตตาส่งไปแล้ว อัตตาตัวนี้หมายถึงจิตมีจิตตัวนี้น้อมไปเพื่อเพื่อพระนิพพานเนี่ยนะคำว่าเพื่อพระนิพพานก็คือเพื่อธรรมะที่สงบระงับจากขันธ์ทั้งมวลนั่นนะสงบจากภพทั้งปวงนั่นเองนะก็คือน้อมไปเพื่ อ, อนิสรณัตยาสัยหวังใจอยู่ว่าจากบรรลุวันนี้จากบรรลุวันนี้เหมือนก้นก็จะเหลืออัธยาศัยอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นหลัก อันนี้หมายถึงว่าถ้าสามถาวิปัสนามันดําเนินไปคู่กันได้จะเป็นแบบนั้นของเราก็มาสะสมอัธยาศัยจริงๆแล้วขณะที่ฟังธรรมนะสมุทาฟังสูตรใดก็ตามสูตรนั้นๆถ้าเราเห็นด้วยเอายอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นแหละคือการได้อัธยาศัยไปแล้วอ ย, อย่างเช่นสูตรนี้ครับ สมมุติว่าใครสักคนนึงชอบเนี่ยอืนั่นแหละก็เรียกว่ามีอัธยาศัยแล้วอัธยาศัยอันไหนก็อถ้าเอาจะเอาบริบูรณ์ตามสูตรเลยนะก็อัธยาศัยหกเลยนั่นแหละถ้าทั้งสูตรบริบูรณ์เนี่ยนะอย่างแรกก่อนเลยนะถ้าเห็นโทษของโลภะที่จะไม่ให้มีเวลาเห็นได้ยินเป็นต้นจะไม่ให้มีอภิชากรโทรมันัดใช่ไหมตรงๆเลยก็คือเห็นโทษของโลภะกับโทสะ แล้วมีบทว่ายินดีในธรรมเป็นความยินดีที่สูงสุดก็คือยินดีในสมถกะกับวิปัสสนาก็คืออะโมหะนี่ก็กมันก็ผู้ที่เจริญอย่างนี้ได้ก็ต้องเห็นโทษของการนม่นะแล้วก็เจริญอย่างนี้นะถ้าแบบคลุกคลีกันมากเจริญได้ไหมก็ยากอยู่แล้วนะอันนั้นก็ต้องเห็นโทษของการคลุกคลีเสร็จ แ, แล้วก็ที่เจริญทั้งหมดจุดประสงค์ก็เพราะเห็นโทษของ พนั่นเอ ง, องนะมันก็จะได้อัธยาศัยทั้ง6พระสูตรใดก็ตามที่มีความไพเราะประกาศอริยสัจเนี่ยนะผู้ที่ปรารถนาแทงตลอดอริยสัจจะมีอัธยาศัยหหมดเลยแต่ความเข้มข้นจะไม่เท่ากันน่นอัธยาศัยจะเข้มไม่ไม่ไม่ได้มากเท่ากันอะไรสรุปแล้วขอให้ชอบสักสูตรเถอะ ่ชอบสูตรไหนชอบหมดเลยของมานะ่อ่านสูตรไหนไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะเอาต้องบอกเราต้องชอบสูตรนี้อ่ะ น, นะไม่ชอบหรอกอ่านแล้วไม่ชอบเลยอะแต่แรกะนะแต่ไม่รู้อ่าพออ่านแล้วไม่รู้เรื่องอะ่ะบอกว่าเราต้องชอบสูตรนี้เข้าไว้ะบางคัมพีร์บางเล่มเนี่ยจับแล้วเครียดเลยใช่ไหมเราต้องชอบคัมพี์นี้อืม อันนี้ตั้งไว้ก่อนไปนะอับแรกยังไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ต้องตั้งไว้ให้ชอบเข้าไว้เพราะถ้นไม่ชอบมันจะเลิอกอ่านนยพะกว่าจะมาชอบนะบางทีเนี่ยทิ้งไว้สองสามปีก็มีกว่าจะชอบได้นะเมื่อตอนแรกก็ไม่ชอบมาเป็นปีๆแล้วกันเพราะจับปั๊บนี่ก็โอ้ไม่เอาละวางไว้ก่อนปลูกอัธยาศัยที่จะชอบคัมภีนั้นนั้นไว้ตั้งนอนกว่าจะอ่านได้ทา่านก็บอกว่าให้นึกชอบเอาไว้เถอะเดี๋ยวก็เรียนได้แหละเพราะว่า ให้รู้เธอว่าอัธยาศัยที่สะสมมาเดิมๆของเราเนี่ยอ่อนเป็นแน่เราจึงไม่มีศรัทธาในาคำสอนไปทั้งหมดเนี่ยน ะ, ะก็ฝึกสะสมอัธยาศัยไปอะไรไปใช้อินซีกำจัดอินซีนะจำตรงนี้ได้ก็ยังดีนะสูตรนี้เนี่ยใช้อินซีห้ากำจัดอินซีห้าในสูตรนี้มีเรื่องที่ทน่าจดจำเยอะเหมือนกันเช่น ใช้ยินรียห้าําจัดยินรีห้านี่นะสมว่าเขาว่าต้อเข้าใจด้วยนะต้องเข้าใจหรือว่า เ, อเอาเรื่องเรื่องเรื่องสตินะเรื่องสติเหมือนกันนะนเช่นยินทรีสังวรนะทำให้ศีลสมบัติธาบริบูรณ์สีลสมบัติธาบริบูรณ์ทำให้สมาธิสมบัติธาบริบูรณ์สมาธิสมบัติธาบริบูรณ์ทาให้ปัญญาสมบัติธาบริบูรณ์อันนี้ก็อันนี้ก็ เป็นเป็นเป็นโครงสร้างที่น่าที่น่าจดจำไว้มากๆเลยก็มีมีไหลมีไหลมีไหลนั่น <c oughs> เช่นปบุคคลใดไม่รู้จักห้ามจากขุนศีไปในรูปทั้งหลายเขาเขาไม่เห็นโทษทุกต้อมติดตามเข้าไปนี่นะครับถ้าท่องอันนี้ได้ทั้งอันหนึ่งเนี่ยนะก็หมายความว่าอีกอีกอีกอีกหกอันก็หมายความว่าต้องต้องเข้าใจละ แต่ถ้าไม่เห็นโทษของอินทรีย์ของการไม่สำรวมอิียนซีเนี่ยนะแล้วก็ถึงให้เป็นเหตุให้คลุกคลีขึ้นนะในมาตุป ต, ติกาสูตรคือสูตรว่าด้วยแม่กับลูกเนี่ยนะในอังคุตรนิกายปัญจาการนิบาทซึ่งเราคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้สมัยพุทธกาลนะก็ยังเป็นไปได้ก็คือบอกสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นมารดาและบุตรทั้งสองคนคือแม่นี่ก็เป็นภิกษุณีลูกก็เป็นภิกษุเนี่ยนะจำพรรษาในพระนครสาวัตถีทั้งสองคนนั้นเป็นผู้ใคร่เห็นกันเนืองเนืองเนี่ยนะแม่กับลูกก็อยากเห็นกันเนี่ยนะแม่มารดาก็เป็นผู้ใคร่เห็นบุตรเนืองเนืองแม่บุตรก็เป็นผู้ใคร่เห็นมารดาเนืองเนือง<ๆ>เพราะการเห็นเนืองเนืองแห่งคนแห่งคนทั้งสองนั้นจึงมีความคลุกคลีกัน เมื่อมีความคลุกคลีกันจึงมีการวิสาสะคือคุ้นเคยกันเมื่อมีการวิสาสะจึงมีช่องคนทั้งสองนั้นมีจิตได้ช่องไม่บอกคืนสิกขาไม่ลาศึกเลยนะได้ทำให้แจ้งซึ่งความทุรพลคือไม่ทำให้แจ้งซึ่งความทุรพลเสพเมถุนธรรมประราชิกทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูก น, นะซึ่งเราคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้เหมือนนเถอะแต่ก็เป็น อันนี้คือโทษของการคลุกคลีกันเนี่ยนะเสร็จ แ, แล้วพิกษุก็ไปกราบทูลเรื่องนี้ให้พระพุทธเจ้าทราบ พ, พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายโมฆะบุรุษนั้นย่อมสําคัญหรือหนอว่ามารดาย่อมไม่กําหนัดในบุตรหรือก็หรือบุตรนี้ย่อมไม่กําหนัดในมารดาแล้วพระค์ก็ตรัสธรรมะสอนว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเราไม่พิจารณาเห็นรูปแม้รูปเดียวซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัด เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันเป็นที่ตั้งแห่งความหมกมุ่นกระทําอันตรายแก่การบรรลุธรรมะอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมเหมือนรูปหญิงนี้เลยสาธุทั้งหลายกำนัดยินดีฝ่ายใจหมกมุ่นผัวพันในรูปหญิงเป็นผู้อยู่ใต้อํนนานาจรูปหญิงย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนานอนนะในขณะเดียวกันหญิงก็เหมือนกันใช่ไหม ที่บอกว่าพองตรัศนในอังคุตระนิกาเอกานิบาศเนี่ยนะสูตรที่10เเขามีอยู่ฝ่ายชายห้าสูตรฝ่ายหญิงหสูตรอย่างลห้าสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าเราไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู่เท่ากับรูปของบุรุษนะเพราะงะั้นรูปของบุรุษนี้ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยรูปของสตรีก็ครอบงําจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกันเนี่ยนะนการ เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งอันตรายที่สุดต่อการเจริญตรายสิกขาว่า ง, งั้นเถอะการเจริญตรายสิกขานี้เป็นตัดใยให้บรรลุแทงตลอดอริยสัจใช่ไหมแต่ถ้าปฏิบัติในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็จมอยู่ในในกองทุกขเหล่านี้ซึ่งตอนท้ายนะตอนท้ายของสูตรนี้พระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลาย หญิงเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับแล้วก็ดีหัวเราะก็ดีพูดอยู่ก็ดีขับร้องอยู่ก็ดีร้องให้อยู่ก็ดีบวมขึ้นก็ดีตายแล้วก็ดีย่อมครอบงําจิตของบุรุษได้ดูความพิสูจทั้งหลายเมื่อบุคคลจะกล่าวสิ่งใดๆพึงกล่าวโดยชอบว่าบ่วงรวบรับแห่งมารก็พึงกล่าวมาทุกคามนั่นแหละว่าเป็นบ่วงรวบรับแห่งมารโดยชอบนะก็บ่วงของผู้ชายก็คือผู้หญิงนะบ่วงของผู้หญิงก็คือ ผู้ชายเนี่ยนะถ้าแยกแยะกันอยู่ก็ไม่ได้ก็ต้องการไปคลุกคลีกันอีกพานไอความผูกพันความติดความข้องในในลักษณะนี้แหละเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายนี่เพลิดเพลินในในทุกอะนะเหมือนอะไรเหมือนกับแม่ของพระศรวลีใช่ไหมคันหลงอยู่เจ็ดปีอะ่ะเออขอไปตั้งท้องอยู่เจ็ดปีอะนะแล้วคันหลงอีกเจ็ดวัน หมายคว่ามันจะคลอดก็ไม่คลอดไม่จะคลอดก็ไม่คลอดอยู่เจ็ดวันน่ะนะแต่ก็อุ้มท้องอยู่เจ็ดปีอ่ะเสร็จแล้วพอมีลูกลูกมันหัวเราะมันเก่งอ่ะนะลูกมันฉลาดหนี่พระศรีวรีฉลาดเกิดมาโอ้เห็นลูกน่ารักมากไปประเคนของพระไปทําบุญไปอะไรเลยนะนางก็ยิ้มใหญ่เลยนะแล้วก็พู้แต่งจาว ก, ก็ถามมาอ้าวเป็นยังไงอยากได้ลูกแบบนี้อีกไหมอย่างังี้ยนอะอยากได้พระเจ้าค่ะอีสักเจ็ดเลยอ่างเงี้ยอยากได้อีกสักเจ็ดอย่ จะเห็นว่าโอ้โหไอ้ที่ทุกมาหมดเนี่ยลืมหมดเลยนะเพรเห็นลูกน่ารักอะเอาใหม่ละก็คิดอยากได้ลูกใหม่ละลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ความความทุกข์ทั้งหลายก็มาในรูปแบบของความสุขใช่ไหมเพราะว่าไอ้ความสุขเนี่ยมันเป็นบ่วงของมัจจุราชอนี่ยที่ที่มาดักเข้าไว้พะะนันสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนาะความพ้นทุกข์ก็เพราะมาติดข้องพะะนันโปร่งตรัสว่าหมูสัตว์ผู้ผู้ยินดีใน อะไรหรือยินดีในความเนื่นช้าเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้เนื่นช้าทําให้ติดทําให้ข้องทําให้พัวพันผูกพันอยู่นั่นแหละแล้วพระองค์ก็ตรัสเตือนเป็นอย่างดีง น, นะบทนี้ที่ข้ออ้างในมหาปรินิพานสูตรนะที่พระอ น, นุนถามพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานว่าะจะพึงปฏิบัติยังไงกับสตรีใช่ไหมพระองค์ก็บอกอย่าเห็นอา น, นุานเหมือนกันเอาถ้าจําเป็นต้องเห็นนะพระเจ้าข่าเพราะไปบินทบาทยังไงก็ต้องเห็นอยู่แล้วอย่างนี้เขาตั้งสติเอาไว้ให้ดีนะเหมือนน อก็อย่าพูดนัอน้าวถ้าเขาถามวันถ้าจำเป็นต้องพูดเช่นเขาถามวันถามอะไรเป็นต้นเนี่ยบอกตั้งสติเอาไว้ให้ดี mm hmm. ทีนี้ก็เหตุผลอันเนี้ยที่อัตถามหาปรินิพานสูตรยกมาอ้างว่าบุคคลพึงสนทนาด้วยเพชฌฆาตก็ดีด้วยปีศาจก็ดีถูกต้องอสารพิษที่กัดตายก็ดีไม่ร้ายแรงเหมือนกับสนทนาสองต่อสองกับมาตุคามเลยอะนะสองต่ อ, อหมายาว่าเดียวๆเวนี่ยนะ พวกหญิงย่อมผูกพันชายผู้ลุ่มหลงด้วยการมองดูการหัวเราะการนุ่งห่มรับล่อและการพูดอ่อนหวานมาตุคามนี้ไม่ใช่ผูกพันกันเพียงเท่านี้แม้บวมขึ้นตายไปแล้วก็ยังผูกพันชายได้กามคุณห้านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะอันเป็นที่รื่นรมใจย่อมปรากฏในหญิงเหล่าชนผู้ถูกห่วงกามพัดกามันนี้หมายถึงอะไรกิเลสกรรมเนี่ยพัดไปไม่กาหนดรู้กามคือไม่กาหนดรู้ วัตถุกรรมเนี่ยนะมุ่งคติในการมุ่งคติก็คือมุ่งคตินยนะนรกนิรยะคติเป็นต้นเ่ยนะคำว่าคติก็คือนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เดรฉ า, านเทวดาพรหมอนะี่ยนี่เรียกว่าคติเน่ยนะก็คือมุ่งคติในพบน้อยคือการมาพบพบใหญ่คือรูปประพบเป็นต้นอยู่ในสงสารในลําดับแผงขันาธาตุอายตนะเพราะมันจะการเพลิดเพลินในสิ่งเหล่าเนี่ยมันเป็นการพันุ์ให้มี ให้มีอะไรให้มีขันในให้มีขันต่อไปนะนการเห็นการเพลิดเพลินเนี่ยเป็นการผูกพันเพื่อให้มีขันมีอายตนะต่อไปไม่มีสิ้นสุดนั้นในทางคําสอนนี่เขาบอกว่าอารมณ์ใดที่จะสร้างความผูกพันให้มากพร้อมก็จะเรียกว่าจะแสดงอารมณ์นั้นให้มากจริงๆแล้วอย่างพระสูตรในสังโยชน์บัพพาเรื่องอะไรบัพพาเนะียทั่วๆไปก็คือลักษณะนี้นั่นเองแต่ว่าจะใช้คําที่เรียกว่า ธรรมะก็ปกติก็ไม่ใช้คําผาดโผนเท่าไรอยู่แล้วนะก็ใช้คำเรียบๆ เ, เอาไปคิดเอากระเดียวมางันส่วนชนเหล่าใดกําหนดรู้กามทั้งกิเลสกรรมและวัตถุกรรมเนี่ยนะไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆก็คือละภัยเนี่ยนะอะไรภยัยชาติภัยเป็นต้น น, นะนะไม่มีภัยในที่ไหนๆก็คือไม่มีชาติชราพยาธิมรณะเป็นต้นนั่นเองชนเหล่านั้นบรรลุถึงความสิ้นอาสวะย่อมข้ามฝั่งสังสาระคือ ข้ามพ้นขันอายตนะในโลกนี้นั่นเองอ น, นี้ก็เป็นในมาตุปุตติกะสูตรนี่พูดถึงการคลุกคลีกันมันก็เป็นลักษณะนี้นี่แหละนั้นพระองค์ก็จึงเห็นโทษเนี่ยนะเพราะว่าอารมณ์ทั้งหลายที่ที่ปกอ่าที่ผูกพันติดข้องก็ติดข้องกันอยู่ลักษณะนี้เมื่อติดข้องแบบนี้ก็ไม่เจริญอินทรีย์ใช่ไหมพอพอเพลิดเพลินในการเห็นก็ไม่มีการเจริญอินทรีย์เมื่อไม่เจริญอินทรีย์ ก็สร <G ã entender it> <in> ้างอิน si ซีก okay, ็แค่เนี้ยนะวันนี้ก็สมพลกันไปแล้วล่ะ